เอาับไฟนดที่นี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟัง <c oughs> จะได้กล่าวอะไรบารบให้กระสัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเวลาหลวงพ่อพูดห้ามถ่ายลูกน้อลูกหลานนะอยู่ในความสงบเมื่อลงพ่อหยุดพูดแล้วจะถ่ายค่อยถ่ายเวลาหลวงพ่อพูดจะไปคุยกัน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 สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วล้วนแต่เสียหายเราเรารักถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศินข้อเหล่านี้ให้พุทธบริษัทของพระองค์ประพฤตปฏิบัติพวกเราจึงยอมรับว่าพระปิชาสามารถและพระปิชาความเฉลียวฉลาดของพระพุทธจเจ้าไม่มี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 สวยราชคองราศตั้งแต่เป็นกุ ม, มารพระบิดามอบราชสมบัติให้จนถึงอายุ29ปีคองราชสมบัติอายุ29ปีพระองค์หนีออกจากเวียงวังไปถึงตามลำพังไปอยู่ในป่าดงพงไผ่6ปีก็เท่ากับอายุ36ปีอ่าปีที่36 ปีสาสิบห้าเต็มย่างสามสิบหที่ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตได้ตัดรู้พระพุทธจากนั้นเมื่อได้ตัดสู้แล้วนั่นแหละนับจากที่ท่านได้ตัดสู้แล้วนั่นแหะในคืนวันเดือนหกเพนนินเป็นจุดที่โดดเด่นเป็นจุดที่ประสบสําเร็จสมความมุ่งมั่นปราถนาชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้ว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 ก็เาเถิดพระพุทธเจ้าแต่เรายังเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่หลวงองค์หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนและองค์หลวงตาที่นํามาประพฤติปฏิบัติสอนพวกเราแต่องค์หลวงปู่มั่นสอนก่อแต่องค์หลวงตาท่านก่อนนำทำคำสอนของอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่มั่นมาแนะนําสั่งสอนองค์หลวงตาดังนั้นโลงตาได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่หลวงปู่มั่น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 ให้ท่านเอาเข้าในตู้ปิดไปไปเลยอย่านำเอามาใช้อะไรทั้งหมดที่ท่านเรียนมา เ, เ, เมื่อท่านเข้ามาแล้วให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะเหงหลงปูมั่นท่านสอนหลงตาท่านไม่ให้เอาเมื่อภาวนาเป็นอย่างนี้แล้วจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเออเอาปริยัติมาเปรียบเทียบขันนั้นขันนี้ชั้นนั้นภูมินี้ที่ได้เรียนมาท่านบอกว่าอย่าไม่ต้องเอามา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 ถ้าเราไม่ได้ทําวัดอย่างวันนี้วันนี้เราเกาพุทธคุณระหว่ากาเยนวจายวเจศัสวะพุทเทกุ ก, กัมมังปะกตังมะยาอย่างข้าพ เ, เจ้าได้ประมาทผาัดพังพระพุทธเจ้าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อ, ออันนี้ขอพระพุทธองค์ทรงประทานโอโหสิให้กับข้าพ เ, เจ้าด้วยอันนี้ถ้าหากว่าเราเไม่ได้ทําวัด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 ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุธธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมขอพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสั่รวมระวังต่อไปอย่างนี้ก็ได้และจากนั้นเราก็กราบคารว ะ, วะครูบาอาจารย์อีกว่ามห้าเทเรปมาเท е นะเถเรปมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนกะตงังทัพพังอปาราถังคามธทมเมพันเต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 ได้ประมาทพาดพางไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือได้ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจ เ, เราก็จะกราบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารยเ์เสร็จแล้วก็ น, นั่งขัดสมาธิขาขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ปนมมือสะก่อนคือไหว้ครูอีกครอบนะึงพุทโธธรทรมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆพุทโธธรทรมโมสังโฆ ส, ส, สามจบ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 ที่เป็นบุญกุศลข้าพเจ้าขอน้อม บ, บูชาพระคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมงสาคณาญาติในอดีตชาติในปัจจุบันใชาติตลอดถึงพ่อแม่ผู้บ่ายยานผู้มีอุปการะขุนทั้งหลายขอให้มีความสุขทุกทุ่งทุก ท, ทุทุกทุ ก, ท, กท่านทางว่านดวงวิญญาณของท่านอยู่ในสถานที่ได้ขอให้มารับส่วนบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้บําเพ็ญในพราวนี้ ทาว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าข้าไปเจ้าเองนิอุปสรรคใดก็ตามบุญกุศลขอให้เกื้อนุเกื้อคุณหนุนอย่าได้มีอุปสรรคนานับประกาศให้ราบลื่นทุกอย่างไปโดยโดยศีลโดยธรรมทุกพวกประกาศาจากนั้นเราก็ออกจากสมาธิอันนี้คือการนั่งสมาธิวิธีการเดินจงกผมการเดินโยกผมให้กําหนดเส้นทางอย่างน้อยสัก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 จิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะลูกหลานจิตใจสงบแล้วนั่นนงมีความเมื่อ ม, มันสงบแล้วนี่แหละท่านวัานัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมีความสุขลึกซึ้งจริงจงจากนัน้นเมื่อเราภาวนาจนจิตใจสงบของเราเป็นพื้นฐานแล้ว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 ต้องทําจิตใจให้สงบบางคับให้จิตใจสงบสะก่อนเมื่าจิตใจผ่านความสงบแล้วจึงนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปอันนี้ก็คือเม่อพ่อแม่ครูบาใจาแต่องค์หลงตาท่านบอกว่าขณะที่นั่นนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมาหาจิตใจสงบสงบดีครับเมีความสุขอืเนี่ว่านัตติสันติพลังสุ ข, ขัง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 บังคับให้ออกนะนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่จุดที่ที่พ่อแม่ผู้บาจาร์ของเราให้ความให้ความสำคัญแต่เมื่อไม่ไม่นานมาในหลวงพ่อเองยบพบโยมที่เขาปฏิบัติธรรมเขาไปอยู่ที่ตะก่อนเขาอยู่ที่ประเทศลาวเขามาหาวัดหลวงพ่อบ่อยจากนั้นเขาก็ไปอยู่ที่พมา่าไปอยู่ที่รัดฉาน แต่เนี่เขาจะไปส่งไปเพขาเขาาทำงานยูเอ็นอะเขาทำงานยนะู <S <S เอ็ะเนะนั้นเขาจะส่งไปนู่นสูดานนะเขาก็เลยขอขอขอเจ้านายเขาขออยู่ที่พระรมาเขาก็ เ, าเลยให้ไปอยู่กับพวกมอนนะแตอนนี้พวกมอนก็คือต้นตระกูลของพระธรรมยุทธ์ของเราอยู่มอนนะสถาัทธายาตยโยมลูกกนะติอพระมอน แต่พออยู่กับมอสมอนก็เคร่งในาศาสนาส่วนเนี่ยเหมือนกันนะ เ, เขาบอกว่าเวลานั่งภาวนาผมก็ไปนั่งโอ้โหเขาทำจริงทาจังนะหลวงพอ่อทั้ทงรัดฉานก็เถอะมาถึงมอนมอนก็ยิ่งเคร่งพิธีการนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์แต่ผมไปฟังฟังผมไปเห็นเห็นแล้วมันต่างมันต่างจากของเราที่เราได้ศึกษาผมได้ศึกษาใน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 ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มมั่นของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะนัดทายาทโยมผู้ที่ดำเนินหรว่าภาวนาไปถึงจุดนี้แล้วให้พวกเราให้สังเกตและก็พร้อมกันบางท่านบางคนพอภาวนาลงไปกำหนดลมหายใจเข้าหายจ้าลมมันหายลมมันหายหายวับไ ป, ไปแล้วก็มาหาลมอีกมันก็หยาบขึ้นมาอีกพอหยาบขึ้นมาอีกอนั่งภาวนาละเอียดละเอียด ลมหายอีกออแล้วก็ค้นหาลมอีกพอได้ลมแล้วก็มันหยาบขึ้นมาอีกไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือจุดนี้คือจุดหนึ่งอีกเหมือนกันในเมื่อจิตใจของเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจ อ, อกจิตลมมันละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนลมหมดบางคนก็กลัวตายเขามีอีกนะพอกลัวตายขึ้นมาสืบลมขึ้นมีมันก็หยาบ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 น้อมจิตตัวนำจิตนำความรู้สึกเข้ามาหาตัวผู้รู้ใ ห, ให้รู้ตัวเองถึงมองตัวเองให้รู้ตัวเองให้จิตดูตัวที่ว่าใครรู้ว่าลมหมดให้จิตย้อนเข้ามาหาจุดนี้นั่นแหละต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะค่อยว่ากันมันจะอีกไปอีกมิติหนึ่งในจุดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยายาิโยมลูกหลาน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 เสียงดังกระเทืองเรื่องรือในกรุงราชจะคื อ, อ, อท่านกับท่านเห็ น, นท่านก็ทอมตนสาลิบุตรก็บอกว่าท่านเอาเถอะผมอยากจะฟังจดุจดจุดสูงสุดแล้วว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้ศึกษามานะจุดไหนพระอาจิรย์ชี้ก็บอกว่าเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุเพราะพระองค์ให้ดูที่เหตุดูที่เหตุดับที่เหตุ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 พระอัญญาโกนทัญญาเอ่อสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับพระอัญญาโกนทัญญาก็รู้อีกเหมือนกันเออใครว่าเห็นอนไรจังของไม่เที่ยงก็ดับที่ในดับที่ใจท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกจากนั้นท่านก็ได้พร ะ, ะพระพุทก็ได้แสดงอนัตตวรรคณสูตรขึ้นมาอีกจึงได้สําเร็จเป็นพระรหันทั้งห้ารูปปัจจุบันทั้งห้าจากนั้นท่าน ดาบทสามพี่น้อง อ, อ, อูลุเวลาหน้าทีขยากัส ป, ปะ3สามพี่น้องบริวาร1ันหนึ่งสามกับหัวหน้าพันสามคนอันนี้พระพองค์ก็ได้เทศอดิตตปริยายสูตรตาไปเห็นรูปเกิดไฟเกิดราคะโทสะโมหะหูได้ยินเสียงเกิดราคะโทสะโมหะจมูกดมกินเกิด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 พวกเราพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานลูกพ่อเอานำทาคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษามาแล้วนะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมทาดูนะหลวงพ่อเนี่ยบอกวแนะนำหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนำนั้นไม่ผิดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินได้เห็ุผลมาแล้วนะและก็วันนี้ ผมพอได้กล่าวพินเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะจริง น, นะถ้าใครนั่งสมาธิแล้วก็นั่งต่อได้เลยเหลือจึงพ่อจะพานั่งสมาธิจากชั่วระยะหนึ่งนะจะก่อนแล้วจึงค่อยออกจากสมาธินั่งให้คบสูตรอาการก็ไม่อากาศก็ไม่ร้อนหวัดอากาศเย็นสบายๆนะนั่งสมาธินะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วหรือว่าใครจะพิจารณา